และเป็นการยืนยันว่าการเข้าสรงที่แท้จริงนั้นจะทำกันทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หลวงพ่อสมเด็จได้เข้าส่งโดยใช้เวลาประมาณ12นาทีส่วนสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าใช้เวลาประมาณ8นาทีและจะสังเกตได้ว่าทั้งสององค์อยากจะพูดอะไรนานๆแต่ก็ทำไม่ได้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 ก็จะต้องสิ้นใจตายอย่างแน่นอนไ ม, ไม่สามารถที่จะบังคับหรืหรอควบคุมตัวเองได้เพราะฉะนั้นการเข้าทรงจึงนับว่ามีอันตรายมากเหตุผลอีกข้อหนึ่งที่คุณหมอสิริเชื่อมากก็คือคำให้สินให้พอในตอนท้ายของหลวงพ่อสมเด็จซึ่งทั้งหมดที่อยู่ในห้องประชุมไม่มีใครเฉลียวใจว่าเป็นบทกวีคือเป็นโครง